คล่คำว่าเลื่องจํรฮาจุจัเทียงไรจัดให้ละเอียดคาว่าคุกคาว่าเลือนจาเลื่อนจำหมายความว่าให้จาไว้มันบุกก็ต้องนับกรไไปเก้องลองนับให้ไม่เสียงเสียงมู เข้ามมาคุกนะแล้วพอมารอลงมาจะต้องเป็นคุกวัดแล้วถ้าเป็นเรื่องจํำมืดให้จาไม่แล้เป็นทุกข์น่าจะพอมารอมาก็ถือประหารชีวิตประหารชีวิตบแบบตายโหงก็ไม่นับถึงมนุษย์โรก อหารชีวิตด้วยโลกเบียดเบียนก็มี่งอหารชีวิตแหลโรคทล่าครับโตตายแขนข้อยืดคุ้นหน่อยยิ่งแขนขาเอกงอางชวงเสียงท่วงเสียงลงจะฝู ข, ข้อพอกูกศอกฟอกไตเสีนฝว่นวองขา เยอะนี้มันไม่ใบแก้ใบแคบใบาตา ย, ยก็จจำตัวเย้แล้วผู้ที่ออกจากคุกไรมันไถ่ไมิจะพาเนี่ยเจ้าจำพวกเดี่ยวนอกขณะคิดคุกตคุกแก่คุกแคบคุกตายมันถ้าออกจากคุกพระองค์ก็ว่างไว้แล้วียอ่อนจำน้นหรือบอ่องจำน้นรือ่องหองเฮ่า มีท่านาวัดสีราวัดผ้าหน้าวัดผ้าหน้าตี้ามกลางจะท่านาวัดห้ามู้เฮาเนี่ค่อยทํามอยู่ตามตัวซีกาลังของใ่าท้องมั่นสีนวัดห้ามู้เฮาก็ค่ยข้าอยู่จะ่าห่างบางข้าวคอจักขัดาดิวิน ตั ด, ดาง า, านเฉพาะพระวนาวัดมู่ห้องกับถ้ำยูแล่ห้องเป็นเครื่องพอดสิอุ่นใจได้หรือไม่ในถ้ำมาพทอดสิอุ่นใจไว้อุ่นใจได้หรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของมู่ห้องจะสามไสายสามมันเอามันยืมเงินแค่สบายมาได้ เหลื่อมใช้พระพุะทธธรรมผสมทำใดเชื่อพระพุทธศาสนาทำใดเนนนาทีเฮ้าจสามเฮ้านาทีเฮาจะตอบเฮ้าของใครของมัน่นสิค่อยให้ผู้อื่นให้คะแนนกับ่าได้สิค่อยให้ผู้อื่นบุบกับ่าได้แผู้อื่นให้คะแนนบาที่ให้คะแนนเกินไปก็ไม่ให้คะแนนพ่พอก็มีให้ผู้อื่นในทางลบ คนเห็ตในทางโลกไฟเข้าอยา่บางที่นรบหลยกลัวกายีบางทีรบโมพ อ, อก็มีเข้าต้องนี่อิฐซากมือับที่เพิ่งของเข้าเสมอนลยนี่อันไหเป็นกระเสียมแดงนึกตามเขาเอมที้มากกับก ล, ล้วยยู่แได้อมาในอนี้ไปซื้ออันนี้เป็นนาพี่เห้าที่สามไปพากัน ม้ว่านบเนี่ยเื่อประสองค์หนังพ่อจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงบอกหรือเห็นโทดแล้ ว, ว่ตาตั้สงสารจริงจรินหรือพ่ออะไรอ่างอะไรพันน้ำพันสานชนิดพันสากสนอส่วนย่อมเราพกันข้าเข้าวมาแต่รากุทธศาสนาเนี่ยข้าวมาเพราะเป็นวิธีบอก ข้าวเหลือยใพระพุทธศาสนาทำไรเสียแ ร, ริยาลทำไรพระพุทธเจ้าพระธรร ม, มเจ้าพระยาสองเจ้าตนีต่พจ้งคนจางถามเจ้าฟ้องนี่แน่วไรแนวหวังเป็นเครื่องมุดใจข้าแนงแ่ไหนวครับแต่แแตข้าตายไปข้าคืนเพลนว่ามีสวรรค์ไมพลานนีนสิข้าพดศิริไปใชนใช้นํำเพนบ่ ในมือชมบัตรก็ดีในสวรรค์ช้อมบัตรก็ดีในภพช้อมบัตรก็ดีอนนี้เกิด น, นาที้ห้องมูฮั่นที่สามไฟถามมันเบืองในเศร้าอันนี้เข้าเดียว น, นี้ธรรมะยังแน่พราะจะเอารมณ์ห้องเจี๊ยห้งเาแต่ละมือละมือเข้ารู้ดีแล้วว่าเกิดว่าทนาแก่ทนายเก็บ ท, ทนายตายทนายไม่ทุก เป็นผลลับเมื่อไม่ยนน้างรับคนทุกข์แล้วพอผันเมื่อเห่าว่าให้เมืนน่ยอย่างรับคนทุกข์โดยท้องแพ่เั่นไงเห่อย่างะมานด้วยห่าจึงว่าเสียใจได้ภายหลังบอ่อันนี้เป็นหน้าที่เห่าจะถามเห่าการพูดอื่นถามมันเกลียบถามไปถามัน่น เขาเป็นพระยสมอหรืเขาสมทนาเขงพระละบอเขาเป็นโน ย, ยมยสมุยอล้วเขาสมทนระขงโยมลวบออันนี้จะเป็นหน้าที่ขาโม่เขาจีปวดเบืงรกรับจจารายจ่ายจของเบ้องคือกลุมทำดีอัตนาโตยัตตานังติเตือนตนด้วยตนเองภาพพของโลกมันเป็นยังไง ภาพพของข้อเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นยังไงภาพพจของนังหุเงียบนี่มันเป็ น, น, นยันยนาา ง, งยไงโล ก, ลกภายในพระเฮชาต์อัชชาโลกพระเฮชาต์โลกโลกภายนอัชชาต์ขั้งฐานสังฐานภายในอัชชาต์ถ้ำถ้ำภายในคือตัวเล่าอัชชตาโลกโลกภายในคือตัวเล่าวันพระเฮชาต์โลกพระเฮชาต์ถ้ มันทายนอกเข้าไปเข้าโย้ด้วยเพิ่มจําเป็นหรือเข้าโย้แบบเพิ่นแลน่ารบอนไรหรื อ, อยูไปแบบจนมุมหรือซื้อหรือโย้ไปแบบวนทางแบบวนทนทางผู้ดไหเป็นผู้วนวนทางให้ใสโลกทานิงูห่อเป็นคนไม่วนทางหลายได้บวชเมือ่อวัดเมื่อไปทางบุญก็ไปทางบาป มันคนเหมือนทอนท่าแเหมือนทอนท่าเหมือนนี่แนយ อ, อีกข้าวขาพอขาแม่มาสุขฆาข่าบรรดาภูตสุขฆาฆ่าเวลาอันฮัสตสั่าฆ่าพาาระทหัรโลหิ ต, ตบาตรทำลายพระพุทธเจ้าทั้งย่างประโรหิตให้หองขึ้นไปช้งเพทยังสงส่าแตกจากกันอันเนสัตุเทศซื้อสารสดาอื่นซื้อสารสดาอื่น มันพ่อหันเขามาอะไรอยู่แต่ทังรู้ตัวส่วนมาตุขะฆ่ามัญจาตุขะฆ่าพระอรหัรต์โลกิสุบาตทำลายพุทธเจ้าที่เอาบรมเห็นแต่หอวกันไปทั้งอาเภษยังสงให้แตกกากกันงานโน้มทำทั้งอาเภษว่าได้ทําไเรื่องสังฆราชีเป็นพวกลาล่าของสงแ์ไทําำให้บาปเหมือนกันตกมหาวิกีนรกทุกขกัน มันวาหองในหลวงเราม่ละเมดอ น, อ น, นันแล้วก็เรียกว่าห้องเมื่อทนทางในาศาติมันห้องว่าในหลวงละเมิดอนันต์หหอก็ย่อมพันเมืทนทางเ่ิญพระมันถึงทั้งเป็นพระราชชีกแล้วพ่อกับเมื่อนทางเหนืวคนเมื่อทนทางในทั้งจะทำดีในปัจจุบันในชาติวัชทายาทพ่อยุครำเดียวยั้นนี่พู่งเมือ่อทนทางอีกั่านนี่ คือพระอาหารหันต์มุยมันไปแล้วฮะเนี่ยไปไซก็ไปหมัดเราไม่มดไปได้จบปัญหาเจ้าของพ่อแล้วไปห่อนเมื่อพ่อแล้วตาบอบว่าเป็นห่วงหูกอบว่าเป็นห่วงว่าเห็นลูกพ่อแล้วหูกฟังเสียงพ่อแล้วจมูกกดมกินพ่อแล้ว มันเมียทราโทษเมียทรายหง๊างวันแนอผู้คนพ้นไปนล้วเลียงหืนกับหงจางวันแนอเมื่อไหร่คุณช่างไหเมือไหรโทช่างไหนผู้คนพ้นไปแล้วได้หมดวันทาไปฮะเนี่ยตายคือกันใจคือกันใจก็รู้เท่าใจแล้วได้หมดวันไปฮะเนี่ยหมนวันท่า อดีตรู้เท่าอดีนาตกรู้เท่าอนาคปัจจุบันรู้เท่าปัจจุบันอะเพิ่ก็เลนวันไปั น, นไปอะาริดใน่คงโงอ ม, มพอตีแม่จะมาะมาแนี่นั่าาาไไนแหะก็พื้นศาลาอื่นพื้นศาลาเอื้อนเท่าแก้ไรได้เท่าลบไปมนไม้ไรอยู่คื้นพะโมกขั้นล่างร า, าบนบ เพนก็ถือศาสดาอื่นได้ทีแรถือสนชัยนาตะุตรสนชัยนาตะุฒิแต่ภาษาตะวุธกระบอกขา้าล่างไปเป็นบริวารนี่บริวารเนี่หาลอยพูดพูนยินดีในศาสนาพูดเราเพิ่ได้กลกับปามากป้าสนชัยนาฏตะุฒิมากอัน น, น้ป้าได้ดวัฒนค่าพอทีแม่อนนั้น คนเชิงสามารถเขาเยงพระอาหารในปัจจุบันนาสตราจเขาจะอัชฌาทัศน์ตูคนขาพ่อเพื่อนคนเลยประสามารถในพระสวัดิวันอันนี้ก็เรียกว่าวัดพรางในปัจจุบันนาสตราเดี๋ยวนี้เขาจะย่างูมอร์หกคนละกขพระเพศื่อชัดโมยูคเดียวครับคนละอันนั้นตกเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องดีก็เป็นเรื่องของเพื่นเรื่องชัวก็เป็นเรื่องของเพื่อนนิทานของเพื่อน เรื่องของเพื่นเอามาเล้าเอามาพูดเป็เรื่องดีเขาสิ่ได้เอาเป็นอย่างย่างเเรื่องซุ้วเข้าปฏิเสธค น, นว่าไม่สุขเขาไม่สุขย่างสินชีเมื่อใเป็นมนุษย์เ่อใดว่าไว้เสียชีวิตทิมนุษย์มนุษย์ตามปฏิราพูดคนเป็นมนุษย์คือเวลาอย่างยิ่งได้ยาส่ให้ทำให้มันชิอาลา ะวัดเทียนถ้ำของพระองค์เจ้าีคนสอนหเฮ็ดน้อยก็ไม่ต้องโตเฮ็ดร้ายก็ไม่ต้องโตความดีควาชั่วแตเฮ็ดน้อยก็ไม่ต้องโตเฮ็ดร้ายก็ไม่ต้องโตท้องก้อยไปไมาหานเอามันขึ้นลงฝอยลงฝอยบ้านนี้เราทาอะไรละอะไรอยู่ท่านพระองค์เจ้ามันขึ้นลงฝอยลงฝอยบัานนี้เราทาอะไรอยู่ก็จะสอบถามเจ้าของโแกโซเจ็บเจ็บโซตาย แข่งข้อเยอะแยะเนี่ยแล้มันดังโซงเชียงโงเชียงเราอกว่ได้ยินยังได้ยินได้ยินโซ่แล้มันดังคือนักโทษข้างนอกนกนูกูปีกมันบินไปกิ้แช้งิงแจ้งอะไ่กันปลาว่ายน้ำเยอะในดินกในน้ำกินแ้งิแจ้ง่คือกันหมดหมูเนี่ยหมดแม่งซึ่งในย้านคลองสิงก็ไปจบกันชาดเนื้ชาดเนื้กับวตายฮะ นี่จะน่าควมตายเป็นอารมณ์ตอนนี้อั น, นีโสมากบุคคลคนั้นเฉียบพได้เรื่องตัวโรคกระสิบเบาลงหรือก็อยากสสมของควนตัวไปหลายทำเจรันระบาขาองพระองค์เก่าทำรับล้างกิเลสได้ทั้งนั้นลหละเป็นน้มเป็นน้มสะอาดไี่ศาสนาเดียวเท่เนีย ที่สามารถทำตัดทั้งหลายออกจากวัฏสงสารหน่อยพุทธยุติใจธรรมยี่ิใจสงยที่ใจตั้งพ้นกระทางนอนเฝ้าศาสนาของไปห้องว่านโยไม่ร่าไม่หน่อยมือเอื่อนคิดไปยังวกลัวว่าไหวซื้อจะไปสั่นหอนหรือว่าหอดโลกอันนี้มันนักก่นพร้องไผแต่าต้องลู่ม้วลู่พูดกอ ก็มันเป็นห้องมันไ่ได้ตอบมีน้าห้องมันวามันเป็นห้องไฟตาหูจมูกลินกายมันว่ามันห้องไยน้ต้องดูตาเอ้ยมน้องพยาคิตลาดบอสอบมันกับว่าอบปัดมันกับ่ปัด หมู้ยเม่น้องพยาธิตลาดวอตอบตั้กับ่ตอบปัดมันกับว่าปัดอุเบกขาตันกับว่าอุเบกขามันอะไรวะสวยอารมณ์ไม่หยังมันสวยอารมณ์เป็ี่นตั้งแต่ไก่เนี่ยเดี๋ยวก็สุกแล้วก็สุกแล้วก็อุเบกขาร่างสวยทางห้องจุ่เลียนกายมันร่างสวยเพเป็นมันกับว่าปัดมันกับ่รับเท่ากันพยาธิตลาด บาดธนาเอามาเป็นสมบัติของตนนี่เรียนนามแฝร่มประสมกันเป็นกายอย่าว่าลูกมันในสมประสงค์คิดตราดบอขันว่ได้สมประสงค์ขยันคิดตลาดพันคิดตราชถิ่ควรป็นจิตวัตัว่างไงอี๋ยนคิดตราดบอกว่าบให้แจมันแจมมันมันสร้างบอบอกว่าหายแจมันสร้างบอบอกว่าหายตายมันสร้างบอ บอกวาให้ก่วยไข่บ้รทั่น์บอขย่ายิ้ตลาดบอกมันมันกับบรับมันกับบปัดลูกได้ลูกจะเป็นลูกของขญ่ายิ้ตลาดบอเสียงได้เสียงจะเป็นเสียงของขญ่ายิ้ตลาดบอกินได้กินจะเป็นกินของพย่ายิ้ตลาดบอรถได้รถเจะเป็นรถของขญ่ายิ้ตลาดบอรถเป็นรถเข้ม บทสัาพากระทบกายเย็นหอบอ่อนแข้งเจ้าเป็นของพญายิดตลาดบ่มุ้ยพูดอไรตอบมี่จะพญายิ้มตลาดเห็นว่าจะพูดเดียวอันนี้เป็นนาที่พญายาิ้ตลาดสีท่วนดูตัหรือไม่น้นพญายิดตลาดมันปั่นหน้ามันเป็นตัวบอ่อันไหนไอ้มันสมมติสมพญายิา้มตลาดนี่หรือไม่ไมพญายาิ้มตลาดตอนนี้สีรูปตัว สมบัติพัฒนานที่สมมุรณเป็นของเท่าของเฟินก็ดีสมมุติเป็นของพระศาสนาก็ดีต่อไปจากขาดดินขาดนา้ำขาดไฟขาดร่มวัตถุสมบัติน่ขาดดินน้ำไฟล่มมันจะแตกกระเจงลงมาดินกแนน็แตกเป็ น, นดินน้ำก็แปรแปกเป็นน้ำไฟก็แปกเป็นไฟๆๆร่มก็แปรเป็นร่มทำเกา่ามันเป็นสุกวะในโลกอ น, นี่ ในโลกอันนี้มันจะทุกข์ทร่วนสวยแก่เจ็บตายมันจะทุกข์ทร้วนเพราะนี่สอนในขั้วเบอร์นัยยังไนพระพุทธเจ้าญาณข้าได้ดีบอกก็จะมาสอนไว้จะมาห้ามไว้เรื่องกระยับฟ้าฟ้าวัดด้วเบอร์คุณคนยันท่างไม่อยู่กับคนบางคนจะมาห้ามไว้ข้าเล่นพระพุทธเจ้าเล่าเรียงพระพุทธเจ้าขิดบอกอันนี้เป็นนาที่ข้าอยู่ทรม่โกระยโก นอกคำว่ า, าใส่ใจเขานอกบอกอนไรมันฟังแด้เสมอนอกคือบอกคิดบอกนอกจากคือบอกคิดบอกใจจะของเท่านัอันอนื่นนราบอกว่าฟังเจ้าเชื่อใจก็ บ, บอกว่าฟังหิ้วยากก็ บ, บอกว่ฟังปวดอุจจาระพัฒนากระบอกว่ฟังถ้าประชุกมันมาอยู่ใส่มันตั้งอย า, งายุส่ถ้าประชุกกระตั้งหัวใจโลกระถาดโลกระถาดแค่ไหนแต่ช้งว่ามาแล้วแหละถูกของเรา ถ้าากวรษษ่วมาร่วมอยูอย่วันบันวัสงสัยอะ้ะเกิดป้านี่กินจะเท่วขี่จะเท่นักใก้บ่ทวารสวะจะเท่นักอะไรเรื่องคือว่าสนสนเฉาะกักับกับกับายออกบ้างวาร น, นักทวาเบาวานบานัวา น, นอยู่งี้จะมานุนโรกบ่เที่ยวโลกงี่บ็อเนนก่กันพรมาโกอายุเน้นกวา่กวากๆๆๆาัน แม่งว่คนตายชาติปีสุขขาพระพุทธเจ้าองค์ไหนบ่ได้มาว่าไ่ได้รับร่องรับร่องจะสร้างเป็นทุกข์รับรองจะสร้างบำบันบ่เที่ยงพี่ยังน่าตามไปสิงมันบำบันบ่เที่ยงไปปัญญแล้วมันหมันมันเที่ยงมันจะรับเอียงมันเป็นทุกข์เปิดปัญญาแล้วมันเป็นทุกข์จะรับเอียงผู้รักคนเวลาผู้ขาพ่อหน้าขาเวทหน้าใหญ่แล้วจังขันยัก นับถ like ือยั่งถือว่าเวศชนาเป็นตนตนเป็นเวทนาโยมก็ขามว่ไไรเอลยถือว่าเวศชนาว่าเป็นตนตนว่าเป็นเวทชนะก็จังมาตามอาคารให้ซื่อมันก็ขามเวศชนาไรสัญญาควบจันจำถือกันถือว่าตนเป็นควบจำถือว่าควบจำเป็นตนก็ขามว่ไไรถือกันข้าอ่างงาละถือว่าสังขารเป็นตนตนเป็นสังขานก็ขามสั้งขานว่าไรต้องก้าวละ คือว่าได้เป็นจนจนเป็นได้คามว่ได้คือกั น, น, ะก น, น, ะก น, นะคามได้ก็ได้เมื่อคามได้ก็ได้คกัคามเสียก็ได้คือกันละพอามเมีเอาไปไส่ม็ดปูยาตาทวดนะฮะวางเอาสิมาออกลิ้งออกลายแหเด่นน่ะเด่นอหรีเขาของฟ่อนอิริสายอิหลีะใช้มากก็กึงก้มมากมาเกิดหูระกภูเรงอะไหนะฝนชุดไทย ผู้นั่นทั้งลงนอนยุกกริกนั่นแหละมันซอนใหม่อนพื่นวที่าสั้นัแขงกะไรน่วัตาสงสารเนี่ยทั้งทางทั้งนี่ทั้งดีทั้งไรกะไรนชุดใส่จปจายกองกันเนู่ดซอนใหม่้อนพื่อนในบางประเทศเาจะเห็นนืตั ว, วเริ่มวัดตายจึแสงสองแสงฐว่าพัดจังม่เฮาเี่เหตังไงละ่ง เรามาใช้ม่ห้ามโรูดนะข้าวมันข่้นขึ้มันข้าวทุกมข้าวอย่างมเปนข้าวสุกโมี่ข้าวพระันมันข้าวทุกข้าวพระสวันเ่มันข้าวสุกจะเป็นตอนจอนข้าวพระสกทาขาเนี่ข้าวสุกเป็นจอนจอนข้าวพระอานาคามเนี่ข้าวสุกเป็นจอนจอนจะเป็นตอนจอนข้าวพระสกทาขาเนี่ข้าวสุกเป็นจอนจอนข้าวพระอนาขาเนี่ข้าวสุกเป็นจอนจอน ข่าวพลหันกับมันขาวสูงดังเสี้ยพุ่งนะข้าวมูฮาลข้าวเอ็นข่าวไข่มันเห็นโลกเป็นทุกคักละมั่นทีไหวใจอย่างมันเห็นคักละมันเห็นความภาวนาลมหายใจเขาออกมันจะไมีบ้าไหวใจหรือยังเนี่ยมันติดตัวมันมันกับมันกระโหวกอไรหรือยัเนี่ มันเห็นกองซุกของเขาลงมาใส่ขอไรทีมาตัวโลกมันหันนั่นไปซุกลงนันมันเห็นไปุกมันกับวัชราก็ต่ากันยแหละแต่มันเห็นสักวล่ะมันเห็นร่างกายส้างขาข้งของประตูกูนาเกียรโชกโภกหรอกะไิที่มาร่วงมันก็บล่วงอะไรที่กันอะไรแล้วเพราะมันก็ได้หลอกนั้นออกคักแล้วมันก็ได้เอาใส่มาคล้องพ่อแล้วมันสมุิ ันก็เลยที่ก้าห้ากระดูเก็แห้งแล้วมันติดตัวมามันกระตัวเาเกิดขึ้นกันหรอเพาเกิดความรับก็เกิดดับพลรงวางไไม่ได้เพแกแคบตายแกแคบตายห้าระวางไไม่ได้เพราะไม่ยุดเรไม่หามหอรมีหามเบรกเป็นจริงยั่วะม่นจังว่ามันซืมักนได้านกัเป็นจริงยังวะเม่นจัว่ามคืน ูคนผลก็แลก้คนแวมนีก็เล่นซือผู้ห้าวมาท่านผลแล้ท่านผลแล้วมี่ก็เล่นซือผู้ห้านอนใจกับนอนใจแลวมนีเลนซือผู้ม่ข่าววปฏิบัติยังกับผมมขาวัดปฏิบัติที่มนี้กึเ่นซือมกระบันเถื่อนากระาบันเถื่นควรมาเขาสิยุ่งไปได้ยักคี้นรอกันได้สาดเนี่ยเอ้ายุ่งไปได้นไเลย ว่าถือใช่ว่าถือทังทุกขที่โตโฮมิั้งเวทตนที่ค่อยลงม่าในวตาสงสารมีทุกข์โหโฮมิงสารเจ้าขอค่อยซุงมาในยามที่ทุกเอกอะไรทำเอาเวรโฮมสงสานเจ้า ข, ข, ขอค่อยสร้งเวรสร้งไพว่า่อยเดยาพญรูฆ่าว่า ท, ที่วิถคาอปฏิวัติเส้นถ้ำสำรอปฏิวัติเส้นถ้ำีวิถรเมีคาจิตใจสมมียคาที่นี่มไุไหวนาะที่นี่ทัของน้อยประโยชน์จมไปองว่าที่นี่ไม่มุนวายที่นี่นักของมานี่เถิดนั่งลงเถิดเราจะพยายามแก่ท่าน ก็พคัดของแล้วทีจีตีใจของคนองจีจีใจเพราะเพรามีเกเรดเนี่าห่อที่นี่วันวายเนาะที่นี่คัดของเนาะก็จีใจของห่อเนี่ย้าว่าหันสนะพวกหลงแน่มันก็คัดของเนี่ยห้อถือว่แค็เกิดแค็ตายกันด้วยเถี่วแข็งกินแค่งขีกันดนวยเถี่วม่ไดกินไรขีฟองไงเหรอเพืจอเกิดผู้ใหญ่ทรับ แห si ้งตายใหญ่แห้งเห็ดล่วงขั้วแห้งเัืวพื้นหลายแห้งในกิ่นหลายเสียรถบาดรถไฟมันร้ายมันจะปล่อยว่าไรเสียคายมันหลายก็นจะปล่อยว่ไรเห็นทุกสมัยนาคลางใส้สำรับคทุกทุกมืดจะที่นี่บรรจัมบนสูงนันเราคุ วมมันเียงไถ่พบันเียงเมงขนาามใส่แล้วเอาพื้นห้างกระดูกแเต็มใส่โลกระถาดนนี้จะห้ากระดูแลอพื้นดินแข็เสมอการขนาของไฟ่เมื่อใส่โลกระถาดเนี่ยแล้วเอาพื้นน้ำแขงเป็นน้เมื่อใส่โลกรถาแล้วเอาพื้นไฟงไฟเมื่อใส่โกรถานังใส่เมันจังเสียบว่าของใส่ บ่าาเลเป็นเล่าบอลเปนเขาบ่ลมปนขาบอลเนุก้นทำสันสูงแห่มันเสอการขอไส้บดเอาล่ะเป็นแค่สัก้องสั้ารไม่ได้นชาว่ากองคู่พันธุภานไม่บออยู่ไนโรกพันธุภาก็อยู่ไนโกนนรนโกโลกเป็นทุนทางของซูพันธุพาค น, นคือพันพานไม่บอลยูไนโอ้ไก่พันธุาบอลไมยูในโวงใจ่ใที่ทาถูกเป็นทุนทางของูพันธาคนคือไก่ที่ทำผิดเป็นทุนทางลงมาเราโคนพนันตายเอาใสสนามบอ พระหันตายแล้วไม่ได้เอาใจไปนั่มกาเอาใจไปนั่มมันจะเป็นเพิดเป่าใจเหันแล้วรักษาใจปฏิวัติใจถึงจยังมัท่านตายะพระหันเมื่อพ้นพ้แล้วเพิ่มเพราปฏิวัติใจพนมันก็มีโสดเพาปฏิวัติอย่งเมื่อตายแล้วเพิ่มเพระไม่ได้เอาใจไปนั่มเพราะมันเป็นทํามละล้วนไม่สบายใโรคข่มันซุกพสมควรพรใส ทุกมุ่งควานเพราะใส ugh, ่เพราะซอยผู้สางวันนี click, ้มาบางแล้วก็ว่าจ้องเดือดร้อนเลยวผู้สางบันนีมาบางแล้วแห้งเห็นแห้งเห็นแห้งเห็นกองทุกงายนายนาวาตาสงสารคือพิกซุกหันไาจิเป็นโยมโยกสร้างจับกันพิกซุกเหนไข่ายาวาตาสงสารก็มาทานอันไหน ยี่ห้าค่อยขอเพิงยี่ห้วค่อยขอพิจนาก็ต้องอาศัยโยห์หนันพิจนาบ้างครับก็กรก ร, ก ร, กรมฐ า, านอันนั้นแหละทเป็นอิปัสชนาทีเป็นปัญญาแล้วจับตัวประ ก, กันนม่พรจะาหวันกรรมฐ า, านที่ก่อนเขาตั้งไว้เนี่ยมันเป็นสมาธิมันสิตั้งหมันแน่หันมันสือรอบครอบแน่หันมันถืเป็นปัญญาพ ร, า, ราทอนโยห์ันเขาบยห์หันหมดแล้ สอนพระพุทธเจ้าไว้กับกรรมฐานเดิมเหมือนวะแล้วสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าร่วมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาไว้บนกรรมฐานเดิมเหมือนละร่วมท่านร่วมศีล ร, ร่วมพระวนามาไว้หันไว้แล้วร่วมาศาสตร์รวมภพมาแต่หันไว้แล้วต้องเบิงอันนั้นหละอนันอ น, น, น, นนะันนนะะ้นเปกลองคุณละท่านเกรรมฐานเดิมมาหลักถึงอยากรรมฐานเดิมก็ได้ซ้องกล่องวัตถุนาก่องวิญญาณหู เรื่องวัตถีดิ้นวัตดนไปไหนจะสร้างมันโศกข่าวเป็นกระ ไ, ะไรเพื่อสติเอาไม่อยู่ไม่ตับกรรมฐ า, านเดิมห่อผมฟิ่เจ้าให้เบื่อนายผมันสิวเจ้าให้ห่อไปพระนิพพานพระนิพพ า, ตานตายหรือตายยากโยยกษ์จะอ่อไปจุโลกทิศเท่าห่อพระนิพพานพระนิพพานว่ามไม่แน่จะห่อไปู้โลกได้ ว่าสัส่ๆกับว่าสัส่นๆกับโลกอ่ะรัสพานขาดเนี่ยนี่หละฟังโลกเอา้าเ น, น, นี่นไหนพระนิภานแน่ใชว่าสันบอกมาเลียพระนิภานคือรับเพิ่นรับคหลงกับ้องในวาระท้องสาลท่านทางห้ายจงอยู่ให้มีที่กอดที่เพิ่งเนอที่เพิ่งเนอะจงอยู่ให้มีที่กอดที่เพิ่ง ถ้าเราโลภาสตนะท่านทางร้ายจะอยู่โลดเดียวต้องดูให้มีที่เกาะที่พึ่งที่อาศัยในอารมณ์ของธรรมะเพราะว่าพุทธศาสตรสนาอารมณ์ธรรมะของพุทธศาสตร์นะกับอารมณ์ธรรมะของศาสตาอื้อนมันไม่นำนักพิจิกันแยู่แล้ออารมณ์ต้ออารมณ์แก้กัน สั้นง่าตอสั้นงาแก้กันสัญนงาไปเอาขวอมจำขวอมจำว่ามันสวยว่างามเอาขวอมจำอันว่าสวยว่างามไปสู่กับมันขวอมจำว่ามันมันมันเทียงเอาขวามจำว่ามันโมมันวเทียงไปสู่กับมันสัญนง่าไปเอาขวอมจำข้วมจำว่ามันเป็นสัตว์เป็นมุขพ้นตัวตนลกขาเอาควอมจำอันมัน่มมันสัตว์มันโมพ้นเป็นตัวเป็นตัวตนเขาเป็นเจ้าสดินน้ำพื้โลกมัน ก็คือ่าเราไปเจอมันินาุยังไงันจะเอาอันนี้เราไปสู่กับมันมันสคัญเรามันว่าเที่ยงควอมจาว่ามันสวยงามเอาอันข้มจำอันว่ามันสวยบงามไปสู่กับมันข้ามจว่ามันสบายดีเยอในโลกอันนี้เอาข้อมจำอันนั้นว่าสบายนะมันเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยไปสู่กับมันรงทิศอัตอตมลา สัญญาจาพิ็เอาสัญญาอันนั่นจะเป็นร้ำไปไปลบล่ามันซะสั่บาปมันก็เป็นสังขาเอาปลเอาบุญทั้งขานไปแก้บาปสั้งขานตอนนั้นบุญยาพิสังขานอภิสังฐานคือปุลอาปุญยาพิทสังขานอภิษังฐานคือบาปเรารับตาเขายังมาแก้เอามื่นแก้ พขเกิดมาในวตาสงสามเขาที่เอาอยางแกะเอาอันว่เกิดมันมาแก้มันเขาหลงในวัตาสงสามเอายางมาแก้มันเอาอันว่หลงมันมาแก้มันโค้โม่เขาทีเอายางแกะเอาโค้งสลาร์มาไปแกะในตอนนั้นน่ะโม่ตอนแรกเอาสารารตอนนั้นลมาไปแกะนงินบ้านเงินเมืองพูดอะไรถามลุงดูในโลกก่อน ยากกับยากร่ำยากแยงกันเละสมัยพัฒนาสถานพระนอกเขาอาศัยเพื่ออย่างอาศัยเพื่อปฏิวัติเพื่อคนทุกข์ท่้งว่ามันจะอาศัยมาส่งเสริมควบโลกลกปวดหลงมาอาศัยปฏิวัติเพื่อชนะกับควบโลกควปวดคหลงสากองก็คือมันก็จะอาศัยจะเป็นเพลิดว่าฟ้องอย่านี่ มันมเข้าใจนคนแผนสูงแนละ้วสผยงือแผลสูงสามวันีมา น, านั่งนั่นก็คืันคนแผนสูงสามวันนี้มาตั้งก็คคนแผนตั้งจิตใจก็อยู่ตัมามหาความสูงในโลกแค่พระอรหันต์ มันก็มีแต่สิงม่วหรอขูหาพอแห้งอะไรสู้อะไรพระเกษตรวัดอะไรสู้หัวเกษติมัน้ำกลงขู่พระเกษตรวัดอะไู่ว่เห็นเนีู่จะไม่ยกผีพระเกษติวัดอะไรขู่จะเข้าสู้วันน้ว่างพระศาสนาเพืก็มั่วหระเขาหมองกันว่าดูในลูกว่านายคนสบายรักเพราะว่าถ้ามาทานเขาเอาปากเขาปองเขาแป้งมากินน้ำนี่อะไรมันย่ามอะไรมันสบายเสียบุ๋มมีเด้ เพราะอ้แม่ ก, กูเลยนกลัวมาก ส, สบายดอกเพราะว่าอมลูกแก่ออกมาหากินกับพระท่านนั่นนักหนาชิติล่าหามนุนแก่กลัวประเด็นสาวได้ผลตายแล้วตักเ ง, งาเงาเขาฮั่ น, นเนี่ยประเด็นสู้แล้วตักเ ง, งาเงาเขาอีกแล้วเพราะว่าไม่จะกองทุกขะ ทุบเป็นกองกองนั่งขายสักคา้านขาียวก็มันเย็กหน่อยจ้างไวนเยอะสูงเนั่งปวดขากรบลุกไขมันจ้างมันอยู่น้ำนั่งกับพ่อยู่นุ๊กเขาเขาไม่มากินจ้างมันเยอะน้านั่กับ่อยายกูแพ่อยากกิตลาด คุ น, งนงึงงอคุนึงผงอนเข้างอมันมันผงงอนเข่าสาดพบยิตใจงอมันอยั่ ม, มันงงอนเจนแหงพะโลถ้าแปลงดีๆซะละไปเงี่ยไปจบบัน ง, ง่ามเพาะเพราะวา่ารีบเงิเนบอกว่จะหางกระดูกจะของเนียสักคนร่ากายแต่ว่าถือกัน เกิดยังไงลื่นไ่ยั้พบของสีา่าวแฉบๆพ้อสั่นลงไปวท้ายวจราัฒนาออกมาจิดบรรคราะกันนะสังผ้ามานนุมหมไหวมาตั ว, วกันไหวเจอได้เอ่ อ, อหอ่อหางกะดูไห มันหนาวเอาพาไปไหมันหอมกระดูกคนแน่ถ่าพอแม้ว่ามันของแม่นเพื่อนเราแม่นจะไปเกียดเพื่อนก็หอกกระดูกอี๋นะมึงินด้ตายมั้ยังก็รอดูไหม่นแต่แม่นอี๋กินด้ก็จะตายว่กินด้ววก็จะตายมึงกิ่ขาดตายมั้ยังก็รอดูว่าของมันจะตายเด้แมัแต่แม่นมันจะตายว่าด้ตายมังงยังก็รอบกว่าเนี่ยมันจะติดตายอยู่ก็แม่นเหมือน นั่งตายไว้ยันยุนีก้ก็เราก็เรียกเาะว่าเนี่ยมี่ตายออกนายุนเนี่ยี่ว่าเนี่ ย, ย, น, ย, ยนั่ น, นก็เป็นธรรามาเทศนาอยู่คิดสงบ ก, กับแลว่วคิดพักงานถอนออกมา ก, กับฟุ้งซ่านตายทึกันไรเนี่ยน้งองสันว่าแต่ว่าสันขันมันดีพระพุทธเจ้ากับนั่งพระวันน่าสันตัวพริเขาสู้ใคม่ว่าอ่า ง, งนี้ํานังลเดียวเนี่ยนั่งคัดชำีอื่นกตวัว มันก็ไม่แย่ดีอ่ะความภายในข่าวตรงภายในภาสมารถที่สมาความพักงานเดินเท้ามอยมันมันผผ่นพลุกพักงานเยอะกว่าไรที่จะหน้าจะแตกครับผมเฉยไม่มอนปัญหาเฉมา ส, สอสแสดแทรกจะฟ้องจะฟ้องสงสัยผมในบรรดาสงสาะนั่นจะร้องงางสงสัยเยอะมากนักประทัสดสนะความหลงจ้องแล้วร่วมหายใจเ ข, ข, ข้าฟังนึงเห็นโลกรอบนึงแล้ว เห็นใจโลกธาตุรอบนึหือรวมหายใจออกเห็นใจโลกธาตุรอบนึงหือไงจะเห็นว่าผลนผ้ารอบนึงหรือะเห็นว่าผกระส่งปสงรอบนึงรอบนึงือเห็นข้อเกิดแก่เก็บตายรอบนึงหือัอ๋อเห็นอนิจจังทุทสังฆารตารอบนึงหรือไงอ๋อเรยๆแต่ว่าต้องอ่านอ๋ออย่าห่างเดียวอะไรพัใครอะไรพันอง มันเป็นขีกาเกิดขากขีกาแก้ขีกาเก็บขีกาตายเยอนี่มันเกิดเอาไว้แล้อมันเป็นขีกากินขีกาขี่ยอะนี่เงินอาหารก็แคบมากแต่ยิ้มใช่เงนจะไปยิ้มสช่ขียิ้มพุ่มขี่มันไ่นยิ้ ม, มนใช่นาขนทีลผ้าอย่างละเงินง่ายมากแต่ยิ้มใช่ ย, ยิ้มใกระดาษพว่าเขากระปุ่มใหม่ รถไม่มๆๆ้มาก ม, มันจะยิ้มใส่ไหมมันจะฆ่าลายมันจะฆ่าตายมาทุกกข้อกับไป้มัน่นพระอาริยเจ้าเขาถึยิ้มใช่มคนยิ้มผ้าห่อมันยิ้มใช่กองทุกเพื่อนเพื่อนน้ำกองทุกโศกโศ ก, กรบกองทุกผ้าห่อคนนั้นสิเก็จสหลับถาับจะหอมลูกเขาเนี่ยเจ้าสิเคสจลาบว่าพระยาคิดตลาดเยลยพระ่ะ แางว่าในแต่โลกธาใุนี่ถ้เกิดจะแก่จะเก็บจะตายจะลบจะโกรธจะร้องแล้วน่นี่จะทุกข์เป็น่ารับแล้วนี่แกจะิมาสังอีกบ่ถามมันต้องรูมันไม่จักมากไ่จังมาเลยแกม่งสู่วิจารมากพูดจังกอมู่งสูการวิจารณ์มานี่เขาบกสั่นมากมันม่จังมากทำไม่มากรอกมันจักมากที่คามันถึงมาก เกิดมาแกมาเก็ม า, เก ม, าเกมาตายไม่ยั่งยืนอิม่มเอาอีกก็น้ามาว่าเขาไม่เห็นสิ่งทั้งปวงเจ็บแลวได้ทานในน้ำฝ้ายร่มสังวาลพัดามวราเป็นไปยัวามมัมนโ ม, มนเที่ยงเราเม่กระดิมีธรรมะเอียงายก่าเราก็เดี่งแท้เลี้ยนจบไปไปรถกระร้ า, ราใช่แหมกับมรตัร์กลุ่มเพื่อนกับของในมรตารสงสารได้ไจะทำเก่าเนี่ย เื้อนสอนตนว่าทนายเจ้าของสอนเพืสอนตนี่ะมันได้แต่ข้อหมอดตายไม่เสื่อจกล่าหัวมันเทศให้เขาเ้าเขาไแล้วคือเจ้าของสอนเจ้าของมาไนนะไรเ น, น, นี่ย้อซัดถ้าหายคนแนะนําว่าคนูแนะนําเลขาดผู้อื่นสอนกับอะไรอีกทกอย่างไปยุบันหน้ากลางไปเป็นบาลเขาลงกูเทศ ไปน้าน้ำกลดพน้นดีๆอยู่คือจะไปไปหน้ากลางให้ไ่ได้บอกเพื่อนน้ากลดพ้นไปอยู่เ พ, พิ่นพาไปขายตลาดโขกพอยโตคือว่าจะไปวันหน้ากลางกัเพื่อเพราะหน้าอรั่นไม่บอบอกเพื่อนไงเฮ้ยคนหน่อไปเดินเ ท, ที่วก่นอนเล่ามันจิเป็นยังไงขน่อยว่ได้ว่าให้เพื่นฟังเคยไปน้ำกลดพ้นอยู่ เกิอดห่อนนะบานเนี่ยคนก็เสียคอกว่บบานะ่ยก็หายากันทั้นนะโอ้โหยราจไปห้อมเพื่อท่นานเขาน่อยพิ่เขาไม่เอผู้ว่าะอาจารย์ะ ไ, ไปเป็นทบาดน้ํามนดีๆอยู่คือจะไปวันหน้ากลางเ่วมเดียวกขาบอกว่าโอ้ท่นเราคึดห้อนเอท่ น, ทนเออไม่เห็นโทษเราเองเพื่ลท่ะมันจะคอยมันจะคอยลงขักกระทันคนมา มอเห็นโทษเราเองันบกลันนว่าทุกทิ้งทุกอย่างเฮาเนทราเองลกมัเผู้อื่นมาเสีหาหัวหาทางแก้กับกับกับหลนเนี่ยหลอมหัวหูโคงหง่เนี่ย้องเห็นโเราเองเห็นพุทธเราเองใครเน่ยท่านเห็นขือหรืว่ามันเห็นผิดไปยังไงอีกล่ะเมื่อสงสัยแล้วบาเนี่ยสงสัยเราคำสอนเราคนจะเจ้าเอ้ามูห่อถึงเทศบ ลงเมื่อปฏิบัติเ at, มือ hein, ม่อคิดเมือม่อใจเมื่อสเมื่อปัญญาข้ท่าดีเยู่เสมอความดีพัฒนารับเก่ามันก็สูงขึ้นเลยผู้ทำาัวเย่าเสมอความสัวเขาพัฒนารับเก่าซะ่กนักเกินเลยคือกันถ้าวไข่้าวมันข้อทเอานี้ท่านเข้าใจเปียรกเอาอกมันสู้ก็เปลี่นอกประเทศลิซิมาวัดาเลยเพื่อก็ออกไปจากในประเทศ พเจาถ้าคนละกายด้ใจหลวงปูมันเขารับรองหลังทีแกหน้าเจ้านี่เจ้ีลงมานนี่เจ้านี่หลงมานี่เจ้าี่หลวงมันนี่เพราะนพผู้นี้จะรับรองมาสั่งกันว่ากรฟุ่งออกจากนี้แต่ผู้นี้เขรับรองนะครับวันเหียวันนึงไปงวมบนหนึ่งนพคว่าเพราะปาก็บไรอย่าั่ัว่า เอาสันเห็นทางกะดูนนโกโยมมีเว้นคืนค่นเนี่ยฮะเนีนย่ยลากามันเสมาสายสันเอาสันเห็นควบบะมันบะเทียงอยมมีก็เว้นคลืนเนี่ยฮะเนี่ยควบหลงโลกมันเสมาสายสันเอานั่นแหะพรตูวใหญ่พระตัเล็กเนี่ยเอาสนเห็นควบพุทโตพุทธโตโยมมีก็เว้นคลืนเนี่ยเสพควบมักัดยมมันเสมาสายสันเอาพทตผ้าหอยลงมาเกิดแก่เก็บตายบอก พุโทโธผายช่องซัวบอกแน่มันเกิดเองมันเนาะท่าโมแปลว่าช่องใม่ถึง ค, ค่ควมคุณมข่วมดีสักโคบแปลว่าปฏิบัติคววมดีแน่มันก็ลยสิ่งค่วมสงสัยอ่ะในชิ่งข่วมสงสัยนี่กับนีใไ้ตั้งใจปฏิบัติา่าสนา